เดือดร้อนเห็นโกรธขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่สบายเดือดร้อนไม่ชอบหน้าความโกรธต้องการให้ความโกรธนั้นในจิตใจของตัวเองรีบๆดับไปเสียหายไปเสียอยากจะไล่ให้ไปเสียไม่อยากที่จะรับรองกิเลสเอาไว้ ถ้าหากว่าได้ปัญญาที่มีความรู้จากโทษเห็นโทษของกิเลสมีความรู้สึกขึ้นดังนี้ได้แม้เพียงตรงนี้ก็หยุดดังนี้แหละคือเป็นตัวธรรมะคือตัวปัญญานี้เองที่ที่จะเป็นเครื่องข่มได้อย่างดียิ่งคือข่มกิเลสและเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้แล้ว กิเลสเคยข่มใจบุคคลได้บุคคลก็รบจะข่มกิเลสได้แปลว่าพอจะสู้กับกิเลสเมื่กกิเลสบางเกิดขึ้นก็อาจที่จะระงับได้โดยง่ายเพราะว่าเกลียดหน้าอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเพราะอยู่ด้วยกันก็ทำยังไงได้ก็จะต้องโผล่หน้าเขามาเห็นด้วยว่ากิเลสที่เป็นอาสวะอนุัย ดองกิจจัดสันดาอยู่นี่แล้วว่าอยู่ด้วยกันถึงยังไงยังไงก็จะต้องโผล่หน้าขึ้นมาน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นหากมาปฏิบัติข่มกิเลเสเองด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยที่ไม่นึกว่าจะขม่ม แต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วได้สติได้ปัญญาขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมะขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้จักว่านี่เป็นตัวธรรมะไม่จําเป็นจะต้องรู้จักสมมติบัญญัติธรรมะก็ได้ว่านี่เป็นตัวธรรมะแต่เมื่อปฏิบัติได้ปัญญาขึ้นมา เห็นโทษของกิเลสขึ้นเองซึ่งมีอาการดังเช่นดีกล่าวแล้วนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติตัวธรรมะขึ้นมาก็เป็นอันว่ามีเครื่องมือที่จะขม่มจิตตนเองได้สติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังสติปัะฐานทุกข้อทุกบท ก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดสัญญะคือความสำรวมระวังก็คือตัวสตินั่นเองที่เป็นตัวสำรวมระวังและให้บังเกิดธรรมะข่มใจข่มกิเลสก็คือตัวปัญญานั่นเองทั้งสิน้นฉะนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่ตรัสสอนไว้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จะทำให้ได้ สัญญะได้ธรรมะเป็นธรรมะสำหรับที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจอาตาอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกที่ตรัสสอนไว้ในข้อแรกของสติปัฏฐานก็ได้อธิบายมาถึง ข้อที่รัดสอนให้ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกข้อนนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญซึ่งจะนำให้ได้อานาปานสติสมาธิอันสมบูรณ์ กล่าวคือเมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจับยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้แล้วก็ศึกษาคือตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะให้ใจจริงๆว่าเราจาก รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกคือในขณะที่ศึกษารคือตั้งใจไวน้นนี้เป็นการตั้งใจวันในการให้ใจเข้าออกต่อไปคือถัดจากที่ให้ใจเข้าออกอยู่ในปัจจุบัน ก็จักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อตั้งใจไว้ดังนี้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เป็นอนาคตนั้นมาเป็นปัจจุบันก็จะทำให้กำหนดรู้กายทั้งหมด ในขณะที่ให้ใจเข้าให้ใจออกนั้นดังนี้จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัตินั้นมีสองช่วงติดต่อกันคือก่อนที่จะถึงช่วงปัจจุบันข้างหน้าช่วงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ศึกษา คือตั้งใจเอาไว้ก่อนรั้นอนาคตข้างหน้านั้นมาถึงเป็นปัจจุบันก็ทำความรู้กายทั้งหมดหายใจเขา้าหายใจออกการปฏิบัติ ด, ดังนี้ก็มีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะว่าศึกษาว่าจักคำว่ า, าจักนั้นแปลว่ายังไม่มาถึง แต่ในข้อนี้ก็พึงเข้าใจว่าเงื่อนของการปฏิบัติตรงนี้ใช่ปัจจุบันและสืบถึงอนาคตปัจจุบันนั้นก็คือตัวศึกษาสมเร็จ ก, กำหนด นั้นปัจจุบันนี้ล่วงไปเป็นอดีตแล้วอนาคตที่ต่อกันนั้นก็มาเป็นปัจจุบันจึงมาถึงตัวรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั่นในข้อนี้ถ้าฟังอธิบาย ธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างมาประกอบก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นคือธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างนั้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวพระอาจารย์บางท่าน ได้อธิบายว่าสติคือความระลึกได้นั่นคือความระลึกได้ก่อนเช่นว่าก่อนที่จะพูดก็ระลึกได้ว่าเราจะพูดนี่เป็นตัวสติและเมื่อพูดคือขณะที่กําลังพูดก็มีความรู้ตัว ไม่หลงลืมนี่เรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันสตินั้นเป็นปัจจุบันที่มาก่อนสัมปชัญญะนั้นเป็นปัจจุบันที่มาติดต่อเหมือนอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมากล่าวนั้นยังไม่พูด แต่มีสติระลึกได้ว่าเราจะพูดดังนี้เป็นสติจึงพูดขณะที่พูดนั้นก็มีสัมปัญ ญ, ญาคือความรู้ตัวรู้ตั ว, วเรากำลังพูดในข้อ น, นี้ก็เหมือนกันศึกษาว่าก็คือว่าสาเี็จกำหนดว่าหรือรู้ตัว เราลึกได้ว่าก็เป็นตัวสตินั่นเองก็เป็นปัจจุบันธรรมการเมื่อให้ใจเข้าให้ใจออกต่อไปถัดจากที่ตั้งใจไว้นั้นก็รู้กายทั้งหมดเรียกปะ่ะเป็นความตั้งใจไว้ว่าจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออก เมื่อให้ใจเขาให้ใจออกก็รู้กายทั้งหมดเหมือนอย่างเมื่อตั้งใจพูดระลึกได้ว่าจะพูดเป็นสติพูดก็รู้ตัวต่อกันไปดังนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันซึ่งมีเป็นคู่กันกายทั้งหมดนั่นก็คือรู ป, ประกายและนามกาย รูปปะกายนั่นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองและรูปอื่นๆทั้งหมดที่เรียกว่ารูปปะกายเช่นอาการสามรูปท้องธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกันอยู่เป็นรูปปะกายอันนี้ นามกายก็คือใจได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาความจงใจพัทธะความกระทบอารมณ์ทางใจความใส่ใจถึงอะไร เรียกว่ากระบวนทางจิตใจทั้งหมดเรียกวานามะกายบุคคลทุกๆคนนี้ก็มีรูปประกายนามะกายประกอบไปอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้น ให้รู้กายทั้งหมดทั้งรูปรกายนามกายไปอยู่ในปัจจุบันให้ใจเข้าให้ใจออกลมใจเข้ามาอยู่ที่รูปรกายนามกายคืออยู่ที่ภายในนี้ไม่ออกไปในภายนอกว่าทั้งรูปรกายก็ภายในกาย ยาววานหนาคือที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ดังในบัดนี้ก็กำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ก็เป็นรู ป, ปรกายนามกายก็คืออาการของใจทั้งหมดที่เป็นไปอยู่มณสิกการก็ใส่ใจถึงอะไรเกียตนาความจงใจ สัญญาความกำหนดหมายเวทนาก็ความสวยทุกขก์หรือเป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านี้ทั้งหมดทำความรู้เข้ามาให้รู้กายนี้ทั้งหมดและเมื่อรู้กายนี้ทั้งหมดก็จะปรากฏ ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งคือลมอัดสาสะปัสาสะก็ย่อมจะปรากฏหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในความรู้รวมอยู่ด้วยและจิตที่กําหนดลมให้ใจาลมให้ใจออกอยู่ เรียกว่าใส่ใจถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ก็จะปรากฏแก่ความรู้ถ้าหากว่าจิตออกไปก็ย่อมจะรู้แต่นั่นเป็นนอกแล้วไม่ภายในก็ต้องนำจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ในภายในใหม่ก็เป็นอันว่าเป็นวิธีที่จะรวมจิตเข้ามา อยู่ในภายในเป็นตัวสัญญมะหรือเป็นตัวสังวรและเป็นตัวสมาธิที่แน่วแน่ขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ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 ได้มีพระพุทธภาษิตในธรรมบทขาถาหนึ่งซึ่งแปลความว่าคนไขน้ำย่อมไขน้ำ ช่างสอนย่อมถากลุกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บันดิตทั้งหลายย่อมฝึกตนดังนี้ พระพุทธภาสิทธในธรรมบทนี้ได้แสดงถึงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งต้อง มีการจัดการทำเพื่อให้สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่แล้วในโลกให้บังเกิดเป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ น้ำก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาหรือเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองในการประกอบกเกษตรกรรมเกษตกรรม ซึ่งต้องใช้น้ำบางทีที่ที่ประกอบกสิกรรมเกษตรกรร ม, รรมนั้นไม่มีน้ำก็ต้องจัดการขุดคลองระบายน้ำเข้ามา หรือว่าจัดการวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้น้ำมาสำหรับประกอบเกษตรกรรมกสิกรรมนั้นๆคือหาทางที่จะระบายน้ำเข้ามาถ้าที่นั้นมีน้ำมากเกินไปก็ต้องไขน้ำออก เมื่อเป็นดังนี้ก็ประกอบกเกษตรกรรมกริกรรมนั้นๆได้ทางสอนก็ต้องถากลุกสอนก็โดยตัดไม้ที่มีอยู่ในป่า มาถากมากลาวมาดัดต่างๆให้เป็นลูกศรตามที่ต้องการช่างไม้ที่จะใช้ไม้มาสร้างบ้านเรือนสร้าง วัตถุที่ต้องการต่างๆตูะต๊ะเก้าอีและสิ่งต่างๆก็ตัดไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาถากมาใสเป็นต้นเพื่อประกอบเป็นเครื่องไม้ เช่นเครื่องเรือนตามที่ต้องการบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝุดตนก็ฝุดตนที่เกิดมานี่แหละนาำ ที่มีอยู่ในโลกจะเป็นน้ําฝนน้ําแม่น้ําลําคลองก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็ให้ประโยชน์ตามที่พึงให้ประโยชน์ได้ต้นไม้ที่เกิดอยู่ในป่าก็ให้ประโยชน์ตามที่ต้นไม้นั้นจะพึงให้ได้ จะนำมาทำเป็นลูกศรหรือนำเป็นมามาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นต้นก็ต้องตัดมาถากมาใสามาปรับปรุงให้เป็นเครื่องไม้นั้นๆตนเองของทุกๆคนก็เกิดมาในโลกก็จะต้องฝึกเหมือนกัน ก็เหมือนอย่างต้นไม้ที่เกิดมาในโลกน้ําที่มีอยู่ในโลกต้นเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาในโลกมีอยู่ในโลกหากว่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ย่อมจะใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการที่ให้บังเกิดความสุข ต่างๆได้ยากเช่นน้ำหากมาปล่อยไปตามธรรมชาติไม่มีการจัดไข่น้ำเป็นต้นหรือระบายน้ำเป็นต้นระบายเข้าตามที่ต้องการระบายออกน้ำที่ไม่ต้องการ ไม่ทําเขื่อนทําสะทําบ่อสําหรับขังน้ำไว้ใช้สอยสําหรับหาน้ำสําหรับใช้ก็ไม่สามารถที่จะได้น้ำมาใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการไม้ก็เหมือนกัน ลปล่อยให้อยู่ในป่าหรือตัดมาก็ไม่ถกักไม่ใส่ไม่มาดัดไม่มาทําต่างๆก็จะมาใช้เป็นลูกศรใช้มาประกอบเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโต้โต้อะไรเป็นต้นก็ไม่ได้ต้นเองก็เหมือนกันก็เกิดมาในโลกเหมือนอย่างต้นไม้น้ำเป็นต้น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แหละถ้าไม่ฝึกก็ไม่สามารถจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้จึงต้องมีการฝึกตั้งแต่เกิดมามีการหัด ให้รู้จักบริโภคให้รู้จักที่จะนั่งจะเดินจะวิ่งจะนอนและหัดทําสิ่งต่างๆ อัดเล่าเรียนเขียนอ่านให้มือเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้ภาษาที่พูดก็ต้องฝึกมาทางนั้นและแม่ร่างกายนี้เองร่างกายส่วนที่ฝึก ย่อมทำงานตามที่ฝึกได้ร่างกายส่วนที่ไม่ฝึกทำไม่ได้เช่นมาฝึกมือขวาให้เขียนหนังสือก็ใช้มือขวาเขียนหนังสือได้แต่มือซ้ายไม่ได้ฝึกให้เขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้แม้แต่อวัยวะร่างกายเองก็เหมือนกันเมื่อฝึกจึงทำได้ถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่ได้ ในงานช่างต่างๆที่ใช้ร่างกายเช่นว่าช่างสาไม้เป็นต้นก็ต้องหัดสาซึ่งจะสได้ถ้าไม่หัดก็สไม้ให้ดีไม่ได้การที่บุคคลเดินได้วิ่งได้นั่งได้นอนได้ตามต้องการก็ประฝึกมาตั้งแต่เด็ก ถ้าไม่ฝึกเลยปล่อยให้นอนอยู่อย่างนั้นก็ยากที่จะนั่งคล่องเนินคล่องทำอะไรคล่องเหมือนอย่างที่ฝึกได้จิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องฝึกเพราะจิตใจนี้แม้ เป็นจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นธาตุรู้และเป็นทัตถิปภัตสอนคือผุดผ่องแต่ก็ยังเป็นจิตใจที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ฉะนั้น จึงมีอุปกิเลคือเครื่องเซลหมองจอเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจได้ปรากฏเป็นอาสวะอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่ดองสันดานอยู่ก็มีอยู่เป็นอันมาก เมื่อเป็นดังนี้จิตใจนี้จึงเป็นเหมือนอย่างต้นไม้ที่เกิดขึ้นในป่าก็เป็นไปตามธรรมชาติจะพึงเห็นได้จากกิริยาของเด็ก ที่แสดงอาการของ จ, จิตใจต่างๆเด็กอย่างจะร้องก็ร้องหิวขึ้นมาก็ร้องอยากจะถ่ายก็ถ่ายและเมื่อเริ่มที่จะเดินได้วิ่งได้อยากจะวิ่งไปไหนก็วิ่งอยากจะนอนก็นอน เพราะว่าจิตใจเกิดความคิดขึ้นอย่างไรก็ทำอย่างนั้น